ก อ, อนอบน้อ ม, อมพระธนาใจพระพุทธพระธรรมประสงค์ขอาการหลวงพ่อคําเขียนด้วยความเคารพขอาการหลวงพ่อทองสุขพระจันยุกิแล้วก็ขอากาศเพื่อจะทำให้ทุกท่านจเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็ฟังธรรมนะพวกเราก็มาประพฤติธรรม ในฐานะที่เป็นนักบวชนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นคารวะอุบาสก อ, อุบาสิกาแต่เรามาเพื่อประพฤติธรรมถ้าเราคอยหมั่นถามตัวเองอยู่ บ, บ่อยๆว่าเอ๊ะทาไมเราถึงต้องมาบวชนะเราบวชเป็นพระเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายของการบวชอย่างไรนะ เราบวชเป็นแม่ชีเพื่ออะไรนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดเกล่าจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นใช่หรือเปล่านะเรามาพึป่ปฏิบัติธรรมนะจะเป็นคารวานะถือศีลรือศีล5ก็แล้วแตนะ่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อนะละความชั่วออกจากจิตใจนะมันสร้างความดีนะ ให้ดียิ่งขึ้นไปหรือว่าทําจิตใจให้ยอมรับความจริงนะเรียนรู้ในการอยู่กับชีวิตจริงนะละละความชั่วทําความดีแล้วก็ฝึกจิตใจให้สูงขึ้นไปจนทั่งเกิดความหลดพ้นได้ที่จริงจะในฐานะการบวชเป็นพระนะการบวชเป็นแม่ชีหรือว่าการเป็นอุบาสกอุบาสิกานะ พอเรามาอยู่ตรงนี้เนาะมันก็มีแต่เพียงรูปแบบภายนอกที่เป็นสมมุติที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่ที่จริงสิ่งที่เราดําเนินนะสิ่งที่เราทํานี่มันเป็นสิ่งเดียวกันทุกคนเลยนะสมมุติภายนอกนะมีรูปแบบมีศิลอ่ามีสถานะอะไรแตก ต, ต, ต่างกันไปแต่ปรมัตดความจริงที่แท้จริงภายในมันเป็นสิ่งเดียวกันนะ ดังนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันในเชิงที่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะกระทำเนาะเนะพราะเรามาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเมารวมได้ว่าพวกเราตั้งใจที่จะฝึกหัดตนให้เป็นคนดีแล้วก็ฝึกหัดตนให้เรียกว่าเข้าถึงความดุพนได้นะพระพมหรือว่าตมาก็คิดว่าถ้าเราค่อยมันถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะ ในแต่ละวันแต่ละขณะนะว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนะเราต้องการทำสิ่งใดนะเราต้องการที่เรียกว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่ออะไรเราก็จะกลับมาดูตัวเองได้บ่อยๆแล้วก็เออเป็นการตรวจสอบว่าวันเวลาที่มันผ่านไปเราได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมาที่นี่ไหมนะในขณะที่เราอยู่ที่นี่เราได้ทำสิ่งที่เรา มีความประสงค์ได้มากน้อยขนาดไหนหรือเราหลงทางออกไปมากน้อยขนาดไหนเรากลับคืนมาสู่เส้นทางที่เราตั้งใจที่จะเดินได้หรือเปล่านะ น, นียพวกพระเจ้าท่านนะคอยบอกให้พวกเราคอยเตือนได้เองอยู่นะท่านเป็นกัณยมิตนะรกัณยมิตรไม่ใช่ผู้ที่เรียกว่าพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานนะ แต่เป็นกรารัณมิตรคือผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางแล้วก็เป็นผู้ที่คอยเตือนเวลาเราหลงทางนะนะถ้าเราอาศัยความเป็นกรารัญมิตรในคําสั่งสอนนะที่ผู้วิชาชั้นสอนไว้อาศัยความเป็นกรารัณมิตรของผู้ที่ได้เดินทางก่อนเรานะเอามาคอยเตือนตนสอนตนอยู่เออเราออกนอกรูนอกทางหรือเปล่าทางเส้นนี้คือทางอะไรนะ ทางเส้นนี้คือทางอริมักมีองแ์8นั่งไงนะหรือว่าทางสายกลางนะเราคอยตรวจสอบนะอริมักมีองแปดอาจจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะเราคอยตรวจสอบดูเรื่องของศีล น, นะเรื่องของศีลมีความดางพ้อยหรือเปล่านะเอาพื้นฐานจากศีลของเราเนี่แหละนะ สิน5ก็ดีสิน8ก็ดีสิน227่ก็ดีมีความดังพ้อยมากขนาดไหนคอยตรวจสอบกันเป็นประจำนะอย่างแม่ชีที่วัดเราก็ทุก15วันนะอย่างเมื่อวานก็มีการประชุมกันเพื่อตรวจสอบดูว่าในรอบ15วันรอบปักหนึ่งนี่เราได้มีการกระทําผิดสินมากน้อยขนาดไหนนะมีการรับสินใหม่นะมีการตั้งใจที่จะ รักษาให้ดีขึ้นไปนะอย่างพระก็มีการลงปฏิโมกส่สวดนะทุกวันพระ15ค่ำสิบส่ค่านะก็มีการสวดปฏิโมกเพื่อทบทวนศีลสิน227ข้อญาติโยมก็ดีนะศีล5สิศีล8ก็ดีก็ตั้งใจรักษากันอยู่นั่นคือศีล น, นะที่เราตั้งใจรักษาที่เป็นรูปแบบเป็นศีลสังคมแต่ศีลที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหน ความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนั่นแหละชื่อว่าสินนะถ้าเรามีความสำรวมกายแล้วก็วาจากายสำรวมแบบไหนก็อันไหนที่ไม่สมควรดูก็ไม่ดูอันไหนไม่สมควรฟังก็ไม่ฟังอันไหนไม่สมควรไปกระทําก็ไม่ไปกระทําอันนี้แหละอันไหนไม่สมควรพูดก็ไม่ต้องพูดอันนี้แหละ กายและวาจามันจะเรียบร้อยขึ้นนะเรียกว่ามีความวิรัตมีความงดเว้นนะงดเว้นในสิ่งที่ไม่จําเป็นงดเว้นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่หยาบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นศีล น, นะถ้าเรารู้จักงดเว้นที่จริงการงดเว้นนะในทางคําพูดหรือการกระทำมันก็ต้อเริ่มต้นจากการที่เราสามารถงดเว้นหรือว่าเราละได้ในทางจิตใจด้วยนะ จิตใจพอมันมีความคิดอยากจะพูดไม่ดีนะพูดในทางเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าทำอะไรในทางเบียดเบียนคนอื่นเรามีความรู้ทันจิตใจของเราอรู้ว่าถ้าพูดแบบนี้ทำร้ายจิตใจเขาไม่พูดดีกว่ารู้ว่าทำแบบนี้ทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่ทำดีกว่านะรู้ว่าทำแบบนี้ทำร้ายจิตใจตัวเองทาร้ายตัวเองด้วยก็ไม่ทา อันนี้คือผู้ที่มีศีลจะรู้ว่าอ้อสิ่งใดกระทําแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นแหละคือความมีศีลที่เป็นความเป็นปกติถ้าเรามีศีลมีความเป็นปกติแบบนี้สังคมจะอยู่อย่างเป็นปกติเริ่มต้นจากแต่ละคนไม่ทําตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองนะสังคมมันก็เป็นปกติแล้วนะอันนี้แหละคือความมีศีลแต่ ในความเป็นจริงบางคณะบางทีเราไม่สามารถห้ามคนอื่นไม่ให้มาเบียดเบียนทำร้ายจิตใจตัวเราได้นะบางทีเราห้ามไม่ได้หรือบางทีก็เรียกว่าก็มีความรู้าบางทีเขาก็เผลอไปบ้างแหละนะเป็นธรรมดาเรารู้จักที่เรียกว่ามีสิ่งที่มากกว่าศีลไหมก็คืออะไรมีสติคอยยับยั้งใจของเรานะคอยรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบสัมผัส บางทีเพื่อนอาจจะไม่ตั้งใจหรอกแต่ก็ทําเสียงดังนะหรือบางทีเพื่อนก็มีเจตนาดีที่จะตักเตือนแต่เขาก็พูดโดยที่ไม่ทันรู้สึกระวังถึงน้ําใจเาถึงเรียกว่าถึงใจของเราก็เลยทําให้เราเสียใจเรามีสติคอยรู้ทันไหมว่าอ้อเนี่แหละเนาะเนี่แหล ะ, หละรู้ทันใจเราที่ไม่ชอบรู้ทันใจเราที่มันเศร้าหรือเปล่ารู้ทันการกระทบ กับผู้คนหรือเปล่ารู้ทันการงานที่เราต้องเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ายกระดับนะสติปัญญาความสามารถของเราเพิ่มสูงขึ้นไปก็คือเรื่องพอมีสิ่งที่กระทบนะในทางที่ลบก็ดีนะส่วนใหญ่คนก็จะเสียใจนะหรือบางทีมีสิ่งกระทบในทางที่เป็นบวกนะมีคนชมมีลาบสกการะนะหรือว่ามีอะไรต่างๆเข้ามาใน ชีวิตมากมายมีความสุขมีความสบายมากขึ้นเราหลงติดเราหลงพอใจเราหลงชอบใจหรือว่าเราหลงที่ใจมันอยากจะได้มามากๆอยากจะให้อยู่นานๆไหมนะเราก็เรียกว่ายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอันนี้บบเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องของสมาธินะสมาธิคือเรื่องของจิตแต่ศึกษาก็คือการศึกษาเรื่องของจิตนะสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การทําความสงบ นั่งนิ่งนิ่งนะแล้วก็ใจนะพอใจอยู่กับความสงบแค่นั้นแต่จริงสมาธิที่แท้จริงคือการเรื่องศึกษาเรื่องของจิตนะรู้ทันว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างไรรู้ทันว่าตอนนี้จิตสงบตั้งมั่นหรือเปล่ารู้ทันว่าตอนนี้จิตเป็นเผลอไปคิดมันฟุ้งซ่านไปไหมมีความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าเมื่อมีแล้วมีสติรู้เท่าทันเมื่อมีสติรู้เท่าทันความโลภ เออมันหายไปได้เนาะมันโกรธขึ้นมานะ่ะมันผุดขึ้นมากลางใจมีสติรู้ทันความโกรธตกลงไปนะ่ะมีความรักมีความหลงเกิดขึ้นอ้อรู้ทันหายไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่อ้อพอเรามากลับมาศึกษานะเรื่องของจิตมันจะเห็นเลยว่าจิตมันมีแค่สองประเภทเท่านั้นแหละนะจิตที่เป็นปกติอยู่นะ่ะจิตที่เป็นจิตประพัฒสอนจิตที่ไม่เกี่ยวข้องข้องแวะกับอารมณ์ใด จิตที่เป็นจิตปกติเป็นเรียกว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรการปรุงแต่งอ๋ออันนี้นี่เองที่เรียกว่าจิตที่ไม่ทุกข์เป็นแบบนี้แต่พอมีความโรคความโกรธความหลงเข้ามาเมื่อไหร่มันมาครอบงําจิตเฉยนะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับแก้วน้ําเปล่าเนอะแก้วน้ําเปล่าๆไม่มีน้ําสีอะไรเข้ามาใส่เนอะแต่พอเทน้ําอะไรลงไปน้ําแดง น้ำโค้กนะหรือว่าน้ำผลไม้ลงไปแก้วนั้นก็แปลเปลี่ยนไปตามสีนะของน้ำที่เทลงไปโอ้ที่จริงจิตใจของคนเราก็เป็นแบบนั้นเนาะจิตใจเหมือนกับแก้วน้ำนะมีความว่างเปล่านะมีความสะอาดอยู่เป็นปกติกิเลสเข้ามาเข้ามาในจิตเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะนะความโลภความโกรธความหลง ความอิจช้าความฟุ้งซ่านความพัฒนาบัตเข้ามาเพียงแค่ชั่วข่าวพอเรามีสติรู้เท่าทันนะมันเหมือนกับเทน้ําทิ้งออกไปจากแก้วนะในแต่ละขณะเมื่อมีสติรู้เท่าทันความโกรธที่เข้ามาสู่จิตใจมันก็เทออกไปแต่บางทีความโกรธก็เข้ามาใหม่รวดเร็วนะรวดเร็วมากเข้ามาสวมปุ๊บทันทีนะ ความคิดไม่ชอบความคิดชอบเข้ามาสวมทันทีจิตมันเร็วมากจะเห็นเลยว่าอ้อพอมันมีมความน้เร็วมากเราก็ต้องเรียกว่าฝึกสติให้มันเร็วให้มันทันกิเลสเช่นเดียวกันเราจะไปขอให้กิเลสเขาช้าขอให้กิเลสเขาอ่อนข้อให้เป็นไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าฝึกนะฝึกสติฝึกสมาธิของเรานะให้มันเร็วขึ้นนะ สติคือความจำสภาวะอารมณ์ได้มีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆนะสมาธิคือความตั้งมั่นจิตพอรู้ตัวมันตั้งมั่นนะมันไม่หวั่นไหวไปกับอาการของกิเลสที่มันเกิดขึ้นอ้อมันเห็นแล้วว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่จิตมันแยกได้แต่ว่าอ๋อกิเลสมันแค่มามาเครือบมาเรียกว่า มาอยูนอ่นอกของจิตเท่านั้นแต่จริงจิตที่แท้จริงมันอยู่ภายในไม่ได้เป็นอะไรเลยกิเลสมันมาเครือบแป๊บเดียวพอรู้ทันมันก็ดูดลงไปทันทีนะมันดูดลงไปเหมือนกับผ ล, ลไม้กับเปลือกผ ล, ลไม้แบบนั้นแหละนะผ ล, ละไม้นะมันมีเปลือกอยู่ภายนอกนะเปลือกก็คือกิเลสมาครองบงำแป๊บเดียวพอปลอกเปลือกออกไปมันก็สามารถกินผ ล, ลไม้ ที่ภายในได้นะยังไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยมันจะเห็นว่าโอ้จิตใจเป็นเรื่องแบบนี้นี่เองนะอันเนี้ยคือเรื่องของการมาศึกษาเรื่องของจิตนะเป็นจิตตดศิขาเป็นเรื่องของสมาธิถ้าเราสังเกตดีเนี่ยสมาธิไม่ใช่ความอ่าไม่ใช่ความสงบแต่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปกับอารมอย่างเราฝึกหาดปฏิบัติไปนะจะเห็นว่าอ้ กายมันเคลื่อนไหวนี่มันส่วนหนึ่งจิตที่มันรู้นี่มันส่วนหนึ่งจิตที่มันหลงไปมันจรเข้ามาชั่วคราวเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะนมันเข้ามาครอบได้พอมีสติดูเท่าทันนะมันชะงักทันทีนี่เมือนชะงักทันทีเหมือนกับขโมยกำลังจะขโมยของพอเจอคนมาพบเห็นนะมันหยุดทันทีมันกลายเป็นคนดีไม่กล้าขโมยเป็นแบบนั้นเลยนะ จิตมันจะเข้ามาขโมยมาครอบครองเออไม่ใช่กิเลสจะเข้ามาครอบครองจิตพอมีสติรู้ทันนะกิเลสมันหยุดลงทันทีไม่กล้ามาครอบมากรไม่กล้ามาครอบครองจิตเลยนะหรือพอมันครอบครองแล้วมันรู้ทันมันต้องออกไปทันทีเหมือนกันนะแต่บางทีมันก็กลับเข้ามาบ่อยเราก็คอยรู้ทันมันบ่อยๆนะจิตมันก็ดื้อแบบนั้นแหละอันนี้คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องจิตหรือว่าเรื่องของสมาธิที่แท้จริง คือจิตที่ตั้งมั่นนะไม่เรียกว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่แช่ไปกับอารมณ์นะอันนี้คือเรื่องของสมาธิเมื่อเรามีศีลมีสมาธิหรือว่าศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิมากขึ้นความรู้ความเข้าใจที่เรื่องในเรื่องของปัญญาก็จะตามขึ้นมาขึ้ น, นเรื่อยๆปัญญาคืออะไรคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคืออะไร สำคัญคือร่างกายแล้วก็จิตใจนี่เองเรารู้รอบเรารอบรู้ในเรื่องของร่างกายจิตใจเราไหมนะคอยมันตรวจสอบดูเอืมวั น, ว, นวันหนึ่งที่มันผ่านไปดูเท่าทันร่างกายของเรามากขนาดไหนดูเท่าทันจิตใจมากขนาดไหนนะ่ะถ้าเราคอยศึกษาเรื่องกายเรื่องใจอยู่บ่อยๆนะ่ะมันจะกลับมาเห็นสติปัฏฐานนะี่เป็นทางสายเอกที่จะทําให้เรากลับมาดูกายแล้วก็ดูใจอยู่บ่อยๆอืม กลับมาดูอย่างตอนนี้เราบางคนนั่งเคลื่อนไหวมือเราคอยเห็นไหมว่าที่จริงกายที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นส่วนหนึ่งใจที่มันรู้การเคลื่อนไหวมันส่วนหนึ่งบางทีมันเผลอไปคิดเผลอไปหลงมันเป็นคนละส่วนกันนะมันแยกธาตุแยกขันออกจากกันได้หรือเปล่าแยกธาตุสีที่เป็น ดินน้ำลมไฟออกได้ไหมมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเขาประกอบกันด้วยธาตุนี่แหละใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงหรอกมันแค่ธาตุมาประกอบกันเท่านั้นนะธาตุนี้มาประกอบกันนะแล้วก็เปลี่ยนไปธาตุมันเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะแหละนะเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะแต่เราไม่ค่อยเห็นหรอกเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลนะ นนเราเห็นเป็นแบบนั้นเรามามีปัญญาเพื่อถ่ายทอนความเห็นผิดว่าอ้ออันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นเพียงแค่ก้อนธาตุที่มาประกอบกันเท่านั้นมีสติจะเห็นได้ว่าอ้อที่จริงเรื่องของรูปมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของรูปมันเป็นเรื่องของธาตุมันจะเห็นได้ว่าอ้อถ้ามันเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของถ้ามันเป็นเรื่องของเราจริงเราก็ต้องบังคับมันได้สิ ถามดูดีๆดูดีๆบังคับมันได้ไหมตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้บังคับอะไรมาได้บ้างนะที่มันบังคับไม่ได้เนี่ยมันแสดงตัวตนให้เห็นมากมายนะเดี๋ยวมันก็ง่วงเองเดี๋ยวมันก็หิวเองเดี๋ยวมันก็ปวดเองเดี๋ยวมันก็หายปวดเองนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์เองนะเดี๋ยวมันก็หายทุกข์ของมันเองมันมีแต่เรื่องที่เป็นของมันเองแต่มันมีเรื่องของเหตุมีปัจจัยเข้ามาสัมพันธ์ สิ่งที่เราเรียนรู้คืออ๋อสพันธ์หรือว่าเหตุปัจจัยแบบไหนทําให้ทุกข์มันน้อยเหตุแปัจจัยแบบไหนทําให้ทุกข์มันมากนะเหตุแบบเหตุปัจจัยแบบไหนทําให้ใจมันทุกข์นะส่วนหนึ่งทําให้กายมันทุกข์อีกส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยแบบไหนทําให้ใจมันทุกข์เนี่ยเรามาเรียนรู้ตรงนี้นะสิ่งที่เราจะมีปัญญาเราจะเห็นว่าอ๋อถ้าทําเช่นนี้มันเกิดทุกข์ถ้าทําเช่นนี้มันดับทุกข์เนี่ย คือเรื่องที่เรากลับมาดูเลยว่าอ้อเรื่องของกายทุกข์ของกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของทุกข์ของใจก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องทุกข์ของกายบางทีก็แก้ไขได้เนาะบางทีก็แก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงของเข้าไปแต่เรื่องทุกข์ของใจเนี่ยเราลองมาเรียนรู้เลยว่าโอ้ที่จริงทุกข์ของใจนะไม่ไม่มีเรื่องไหนที่แก้ไขไม่ได้นะจัดการไม่ได้ถ้าเรามีสตินะ มัจะเห็นเลยว่าความทุกข์ที่มันจรเข้ามาในจิตเมื่อมีสติรูท้ทันจิตก็ละความทุกข์ออกไปจิตก็ละกิเลสออกไปได้อยู่ทุกขณะนะถ้าเรากระทาความเพียรยู่บ่อยจิตก็จะละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้ได้บ่อยเช่นเดียวกันนะเมื่อมันละได้บ่อยมันก็ทําได้บ่อยมันก็กลายเป็นความเคยชินจิตที่แต่ก่อนมีนิสัยที่ชอบคิดชอบแสบาย ชอบจมแช่อยู่กับอารมณ์จิตก็จะเปลี่ยนเป็นมีนิสัยที่จะรู้อารมณ์ไม่เห็นเออไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์รู้เห็นเฉยเฉยไม่เป็นนะจิตมีความสว่างมีความสวัยมีความตั้งมั่นมีความสงบอยู่ของมันนะเป็นจิตที่ประพัฒสอนเป็นจิตที่ผ่องใสเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋มันสามารถทําได้นะมันสามารถฝึกขัดได้มันเป็นเรื่องของการฝึกขัดทางนั้นนะ ถ้าเรามีสตินะมันจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นปัญญาในการเข้าใจกองรูปกองนามนะในการเข้าใจสังขารต่างๆที่มันเข้ามาครอบงําจิตอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกหัดได้เนาะในการฝึกหัดนะหลวงพ่อก็จะเน้นย้ําอยู่เป็นประจำนะให้พวกเรามีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวแบบไหนนะบางทีก็มีคําถามมากมายนะนะ มีเพื่อนพระนะรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าเอ๊ะท่านไปเรียนมาหลายที่นหลายครูบาอาจารย์บางทีครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนกันสอนเรื่องความบอกเรื่องความรู้สึกตัวนี่แหละนะในสายหลวงพ่อเทียนนี่แหละแต่ท่านบอกว่าท่านแยกแยกความรู้สึกตัวได้มีคนสอนตั้งว่าเจดวิธีเจ็ดแบบเอ๊ะท่านก็งงมากทําไมครูบาอาจารย์แต่ละท่านบอกให้รู้สึกตัว ไม่เหมือนกันน ะ, อะบอกให้รู้สึกตัวเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่พออธิบายหรือว่าบอกรายละเอียดวิธีการที่ให้รู้สึกตัวแตกต่างกันไปเช่นบางทีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวตอนเคลื่อนไหวนะบางท่านก็บอกให้รู้สึกตัวตอนที่มันนิ่งบางท่านก็บอกให้รู้สึกตัวตอนที่มันสัมผัสเช่นเดินไปเท้าสัมผัสพื้นนะ บางท่านบอกให้รู้สึกตัวตอนที่เวทนามันเกิดขึ้นเช่นนะแขนมากระทบกับขานะเกิดเวทนามันเรียกว่ามันสั่นนะบางท่านบอกให้รู้สึกตัวถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็ให้บริกรรมให้นับ1 2สามบจังหวะไปนะบางท่านบอกให้รู้สึกทั้งตัวไปเลยนะท่านก็งงมากเอ้ยทำไม อุบาจานทร์แนะนำไม่เหมือนกันแค่ความรู้สึกตัวยังอธิบายแตกต่างกันไปนะหลายคนก็อาจจะเคยเจอสภาวะเช่นนี้นะแต่มาก็เลยบอกว่าแล้วท่านรู้สึกตัวแบบไหนล่ะที่ท่านรู้สึกว่ามันใช่นะท่านก็บอกว่าเน้นโดยส่วนตัวของท่านเองนะท่านบอกว่ารู้สึกตัวตอนที่มันกระทบกัน มันเกิดเวทนาเกิดขึ้นเช่นทุกขาทุกขาเกิดขึ้นอ๋อรู้สึกตัวรู้สึกตัวแบบนี้เออรู้สึกตัวแบบนี้ได้อ่ามันใช่ถ้ารู้สึกตัวแบบนั้นได้มันเด่นเอ๊ะถัาตอนที่ยกมือขึ้นมารู้สึกตัวไหมตอนที่มันไหวอ้าวก็รู้สึกตัวเหมือนกันตอนที่มันนิ่งรู้สึกตัวไหมอ้าก็ใช่ <grammar. S 2> เหมือนกันหรือบางทีรู้สึกทั้งกายไหม บางทีก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเห็นไหมบางทีนิยามความรู้สึกตัวนะบางทีมันก็นิยามได้ยากมากนะเป็นคําภาษาไทยอย่างพวกเรานะรู้จักคําว่ารู้สึกตัวแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ารู้สึกตัวคืออะไรนะไม่ต้องพูดถึงภาษาอื่นซึ่งบางทีบางทีอาจจะไม่มีศัพท์ใกล้เคียงได้ซ้ําหรือบางทีก็ต้องอาศัยศัพทนะ์เดิมๆมาอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้แหละ บางทีถ้าเราเห็นวนะ่าที่จริงความรู้สึกตัวถ้าไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากนะถ้าแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรนะโดยที่ไม่เข้าไปเป็นกับอาการนั้นอันนั้นก็คือความรู้สึกตัวแล้วนะแต่ที่จริงความรู้สึกตัวไม่ใช่แค่เรื่องของกายเท่านั้นนะที่7รูปแบบที่พูดเมืม่อกี้มัเป็นเรื่องของกายนะความรู้สึกตัวกับกายนะกับกายกับรูป นะแท้จริงความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดท่านควบคุมถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะรู้สึกตัวไม่ใช่แค่เรื่องของรูปเรื่องของกายแต่รู้สึกตัวรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะรูปมันทำอะไรอันนั้น่ะมีสติเข้าไปดูทันเป็นเรื่องหนึ่งจิตใจมันทำอะไรมันปรุงแต่งไปหรือเปล่าหรือมันเป็นปกติอยู่หรือเปลารู้ทันสภาวะตรงนั้นหรือเปล่า รู้ทันตรงที่ปัจจุบันหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นความรู้สึกตัวเช่นเดียวกันดังนั้นความรู้สึกตัวบางทีอาจจะไม่มีนิยามที่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ขอให้พวกเรารูว่าถ้าเ ป, เป็นการรู้เนื่องด้วยกายและเนื่องด้วยใจนะด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยใจที่ไม่ถลำไปอยู่กับรูปหรืออยู่กับนามนั้นๆ น, น, นะอันนันแหละคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อร่ถอนออกจากความคิด ออกจากกิเดสได้อันนั่นแหละคือความรู้สึกตัวรู้สึกกายเมื่อไหรจิตใจไม่เข้าไปแช่ไม่เข้าไปจ่อไม่เข้าไปจ้องอยู่กับกายอันนั่นแหละคือความรู้สึกตัวอันนั้นความรู้สึกตัวนะเราดูของเราเองเลยบางทีแต่ละคนถนัดแต่แต่ละแบบแตกต่างกันไปก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่บางทีมักจะทาผิดคืออะไรคือการไปจ้องไว้ประคองไว้นะ หลายคนไปประครองความรู้สึกตัวไว้ประครองความนิ่งนะประครองความชัดประครองความเฉยนะไปคล้ายๆทําสภาวะที่เหมือนเพ่งไว้นะจะเพ่งมากเพ่งน้อยน่ะมันบางทีเราต้องระวังนะการรู้สึกตัวที่แท้จริงมันเป็นเรื่องของสตินะไม่ใช่เรื่องของสมาธินะ่ะสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นตัวตามหลังนะแต่สติเป็นตัวตามหน้า นะหลายคนอาจจะเคยหรือเปล่าตอนรุ่นอาตมาเป็นเด็กๆนะมันเคยเคยเล่นดูแบบภาพสามมิติอะ่ะแต่ก่อนมีสมุดภาพสามมิตินะก็ซื้อมาเปิดดูพยายามแบบคล้ายๆแบบทำตาเบลอๆทำใจแบบผิดปกติไปนะภาพแต่ก่อนมันเป็นกระดาษนะมันก็จะรอยนูนขึ้นมาบ้างลึกลงไปบ้างกลายเป็นสามมิตินะมีมิตินะที่มันมากขึ้น ถ้าเร า, าเปลี่ยนเปลี่ยนการวางตาไปใหม่นะเปลี่ยนการวางใจไปใหม่ภาพมันก็หายไปเป็นธรรมดาแล้วเราต้องคอยประคองคอยเรียกว่ า, าเรียกว่าคอยเพ่งไว้แบบนั้นมันถึงจะเห็นภาพแบบนั้นาบางทีนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะบางทีเราต้องการจะประคองความรู้สึกตัวต้องการจะประคองตัวรู้บางทีเราก็เผลอทาจิตใจให้มันประคองแบบนั้นแหละอืม ทำให้ใจมันนิ่งนะแล้วก็ดูสิ่งที่มันเคลื่อนไหวดูอาการของรูปไปอันนั้นนะ่ะระวังนะอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะนะแต่เป็นการเพ่งอารมณ์ไว้นะเพ่งอารมณ์ในใจให้มันนิ่งแล้วก็ดูอารมณ์ภายนอกที่มันเคลื่อนไหวไม่ใช่นะความรู้สึกตัวไม่ใช่การประคองไ ม, ไม่ใช่การบังคับจิตไว้ไม่ให้มันแส่ใสออกไปนะต้องระวังไว้นะ บางทีหรือเราประคองที่จะให้มันรู้ทั้งตัวก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ประคองจิตให้รู้ทั้งตัวให้เห็นภาพทั้งตัวมันทำนั่นทำนี่มันเปลี่ยนไปเป็นอัตโนมัติเหมือนคล้ายๆว่าจินตนาการภาพภายในจิตใจมันเคลื่อนมันไหวหรือว่ามันทำอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะจิตที่รู้สึกตัวจริงๆไม่ประคองนะแต่มันตั้งมั่นกับประคองมันแตกต่างกัน ประคองมันมีเจตนาที่จะต้องการให้มันเรียกว่าให้มันอยู่แบบนั้นให้มันเป็นแบบนั้นนะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่จิตที่รู้สึกตัวจริงๆไม่ได้หวังว่าจะให้อ่จิตมันเป็นอย่างไรนะจิตมันจะออกไปก็รู้มันออกไปจิตมันไม่ออกไปก็รู้ว่ามันอยู่นะไม่มีเจตนาที่จะอยากให้มันอยู่นิ่งๆนะหรือมันสุขอย่างเดียวให้มันรู้อย่างเดียว หรือไม่ได้มีเจตนาที addict, ああ่อยากจะให้มันชัดอย่างเดียวด้ลยซับจิตที่รู้สึกตัวจริงๆริมันชัดก็รู้ว่ามันชัดมันไม่ชัดก็รู้ว่ามันไม่ชัดมันปกติก็รู้ปกติมันไม่ปกติก็รู้ไม่ปกติมันจะทําอะไรก็รู้มันเป็นอย่างนั้นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ที่จิตท on ี่เรียกว่าไม่เข้าไปห้าม ห้ามความคิดนะรู้ด้วยจิตที่ไม่ได้มีความอยากก็ไปเจื่อปนเลยนะทั้งความอยากทั้งความไม่อยากนะไม่เข้าไปเชือไม่เข้าไปเจือปนในจิตแบบนั้นเลยเนี่ยเราคอยหมั่นมาดูแบบนี้เนาะคอยกหมั่นกลับมาดูจิตใจของเราบ่อยๆมันจะเห็นได้ว่าอ๋อถ้าบางทีนะความผิดเนี่ยมันมันละเอียดมากนะนะบางทีมันทําเหมือนง่ายๆแต่จริง ตัวที่ทำให้เราหลงทิศผิดทางน่ยมันมีมากมายนะมันคอยทำให้มาหลอกมาล่อให้เราเดินออกนอกทิศนอกทางไปเนี่ยพวกเราต้องคอยเป็นผู้ที่ฉลาดต้องเป็นผู้ที่คอยเตือนตนสอนตนนะอยู่บ่อยบ่อยคมันดูตนอยู่บ่อยบจิตมันเป็นแบบไหนให้รู้ทันแบบนั้นกายเป็นแบบไหนให้รู้ทันแบบนั้นแหละนะไม่ต้องไปค า, าดหวังหรือว่าไปตั้งใจที่จะรู้ ที่อยาประคอบมันไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเราทําแบบนั้นนะมันผิดกฎนะมัน ผ, ผิดกฎของธรรมชาติเมื่อเราทําผิดกฎของธรรมชาติมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นะกฎของธรรมชาติมันคืออะไรกฎของธรรมชาติคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะให้มันแช่ไว้ ย่อมเป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับน้ำแข็งไปแช่ไว้นะพักพักมันก็ต้องละลายออกไปเช่นเดียวกันนะเราไม่สามารถไปเรียกว่าให้น้ำแข็งมันไปอยู่ในที่ที่อากาศมันเย็นตลอดเวลาได้นะน้ำแข็งความมาตั้งภายนอกมันก็ต้องละลายไปแบบนั้นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะประคองไว้ไม่ได้หรอกประคองเมื่อไหร่ก็คือเข้าไปสู่ภพภูมิของพวกของภพภูมินะแทนที่จะปฏิบัต เพื่อเป็นพระก็กลายเป็นพรมนะกลายเป็นพรมรูปฟักนะแช่อยู่กับอาการของจิตนะมันมันทำผิดทางเนาะมันทำสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนแต่ทำในสิ่งที่นะมันมีคนทำมาก่อนอยู่แล้วเรื่องของสมาธินะเรื่องของความแช่อารมณ์ไว้นะนี่เราก็ต้องดูดูจิตใจของเรามันประคองมันแช่ไหมนะ หรือว่าจิตใจมันตั้งมั่นนะตั้งมั่นไม่หวันว่นไหวพระเจ้าสอนอะไรจิตมันเป็นทุกข์นะกายเป็นทุกข์จิตมันเป็นทุกขนะ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความสุขนะความสุขเป็นเรื่องของชั่วคราวปิติเป็นเะรื่องชั่วคราวนะความสบายนะมันเป็นเรื่องที่จอนเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นนะแต่จริงนะพอเห็นจริงจริงแล้วมันไม่ติดดอกปิติความสุขความสบายที่เกิดขึ้น แต่จริงจิตที่ดูนะมันก็มีความสุขมีความสบายของมันอยู่แต่มันมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ว่าเราไปยึดติดนะอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันอยู่ตลอดหรือเปล่าหรือว่าแค่มันรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ประคองไว้นะมันจะหายไปก็ไม่เสียดายนะไม่เสียดายไม่เป็นไรนะนี่แหละคือความยึดมั่นหรือเปล่ายึดมั่นอารมณ์ไว้หรือเปล่าอารมณ์ดียึดมั่นมันไว้ไหมอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้น มีความเกลียดมีความไม่ชอบอยากจะผลักใส่มันไปหรือเปล่าเนะี่ยคอยรู้ทันตัวนี้นะจิตมันก็จะไม่ได้ว่าไปทําผิดกฎของธรรมชาติแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ง่ายดูไปเลยว่ามันบังคับได้หรือเปล่านะมันเปลี่ยนไปของมันเราบังคับได้ไหมมีใครบังคับมันได้นะบังคับไม่ให้มันเจ็บได้หรือเปล่าบังคับให้มันหิวได้หรือเปล่าบังคับไม่ให้มันแก่ได้หรือเปล่า นะบังคับไม่ให้มันคิดได้หรือเปล่านะบังคับให้มันทุกข์ได้หรือเปล่านะมีแต่เรื่องบังคับไม่ได้นะแตเเาานะ่เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้มันไม่ทุกข์ไดนะ้เรียนรู้ว่าเหตุปัจจัยแบบไหนทําให้มันทุกขนะ์แล้วก็มาเร <Meanwhile, S 1> ียนรู้ตรงนี้อ๋อที่จริงไม่ใช่เรื่องของการบังคับนะแต่เป็นเรื่องของการทําให้ถูกทางนะถ้าทําถูกทางจิตก็ไม่ทุกข์ถ้าทําผิดทาง จิตก็ทุกข์อ้อมันเป็นเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องการบังคับนะแต่เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าทําให้ถูกทางนะเดินให้ตรงทางอันนี้แหละเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนาะหรือเรื่องทางสายกลางเรื่องที่เรามาฝึกหาดจิตใจของเราเนี่ยแหละนะเป็นเรื่องทางสายกลางทางสายเดียวกันเนาะทางเส้นนี้ก็มีใครบ้างที่ร่วมเดินนะมีมีพระสงฆ์นะ มีแม่ชีหรือมีพิกษุณีนะมีอุบาสกมีอุบาสิกาเนะี่ยร่วมกันเดินทางเนาะเราจะทะเลทรายออกนอกลูก่นอกทางนะนะต้องร่วมทางด้วยกันเนะี่ยอย่างพวกเราในที่นี้นะก็หลายสิบคนนะ่ยร่วมกันเดินทางจุดหมายอยู่ที่ไหนคือพระนิพานนะก็คือความไม่ทุกข์นะเราเดินไปถึงตรงนั้นนะคอยรู้ตัวนะหรือบางทีคอยเตือนกัน เมื่อใดที่เผลอไปอ้อเตือนกันยิ้มกันบอกกันเออเธอเผลอไปแล้วนะนะไม่ใช่บอกว่าเผลอไปแล้วก็โกรธกันไม่ใช่ไปดุไปดาไป่าไปตําหนิกันแบบนั้นแต่เตือนกันว่าอ้อนี่เธอกําลังหลงทางเธอกําลังเรียกว่าอ่าทุกข์แล้นะนะแก้ไขกันเนี่ยเราค่อยเตือนกันแบบนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผูคนน้คอยเตือนนะคอยเตือนคอยขนาบบุคคลที่หลงไปนะ คอเตือนกันว่าเราไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่าทางคําพูดนะทางการกระทําหรือบางทีเราไปเบียดเบียนผูอื่นทางความคิดไหมนะความคิดมันเผลอคิดอยากจะไปทําร้ายคนอื่นนะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีมีสติรู้เท่าทันยับยั้งมันได้หรือเปล่าอันนี้แเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำเนาะนะนะอย่าไปกระทําสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปกระทํา สิ่งที่เป็นเบียดเบียนตนเองนะสิ่งที่เบียดเบียนตัว เ, นะ เ, เ, เองมากที่สุดคืออะไรความคิดนี่แหละนะคิดแล้วก็ทุกเองคิดแล้วก็หลงกับอารมณ์เองนะเรื่องที่เขาเคยว่าเมื่อวันวานเรื่องที่เขาเคยว่าเมื่อสิบปีที่แล้วก็เก็บมาคิดเรื่องที่เคยทุกก็เก็บมาคิดอันนี้ยเรื่องการทําร้ายตัวเองเบียดเบีย น, นตนเองนะอนะมีสติแล้วต้องรู้ทันออกจากความคิดให้ได้นะ ออกจากความคิดออกจากความทุกข์ให้ได้เนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองเรื่องที่มันยังไม่เกิดวันพรุ่งนี้จะเจออะไรก็ไม่รูนะ้ปีหน้าจะเจออะไรก็ไม่รู้แต่บางทีก็วิตกกงังวลกลัวนะกลัวเขาจะไปเขียนา่าด่ามาว่าเรานะกลัวว่าจะต้องเจ็บจะต้องตายนะกลัวกังวลกับอนาคตนี่ก็คิดเบียดเบียนตนเองแต่เราลองสังเกตชีวิตที่ผ่านมานะ เราจะสังเกตที่จริงหลายๆเรื่องสิ่งที่เรากลัวนะพอมาอยู่จริงจริงเอะไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดนะอย่างบางคนอย่างตอนจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นชีไหมเออก็คิดไม่เคยออกว่าจะอยู่เป็นพระนี่จะอยู่อย่างไรเนาะนะอาจาร<น> ม, มาก็เคยก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะไม่เคยบวชบวชครั้งแรกบวชครั้งเดียวนี่แหละนะไม่เคยบวชเนรก็ไม่ไม่เคยบวช เ, เ, เลยก็กลัวกังวลใจอยู่บ้างเหมือนกันนะบวชเป็นพระเราจะอยู่ได้หรือเปล่า นอนตื่นเช้าๆอยู่วัดป่านะจะเจองูเจอผีหรือเปล่าเนะี่ยก็มีความกลัวขอกวลใจไปก่อนเหมือนกันเออแต่พออยู่ไปจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะแล้วก็สามารถปรับตัวปรับใจให้อยู่กับความเป็นจริงได้อ้ออันนี้แหละเนาะเห็น้หโอที่จริงความกลัวเนี่ยทําให้เราทุกข์ล่วงหน้านะทุกข์ไปก่อนนะตีตนก่อนไข้แต่จริงแล้วทุกคนมีความสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่กับ ปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงได้อืเห็นเลยว่า อ, อาดีตมันผ่านไปแล้วก็ไปไว้อดีตนั่นแหละอย่าเอามาเก็บคิดนะอนาคตมันยังไม่ถึงนะก็เอาไว้อนาคตนั่นแหละเจอเจอกันข้างหน้าก็ค่อยว่ากันนะอย่าเพิ่งไปทุกข์ร่วงหน้าอย่าเพิ่งไปเสียใจไปกังวลร่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะแต่การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับอารมณ์นะไม่ใช่อยู่กับความทุกข์ ความสุขในปัจจุบันบางทีเราพูดคําว่าอยู่กับปัจจุบันนะบางคนก็คิดนะอย่างบางทีคนจีนเนี่ยชอบถามเอ้ยพอเวลามันมันเจ็บนี่ให้อยู่กับปัจจุนคืออะไรให้อยู่กับความเจ็บเหรอเวลามันสุขคิดเรื่องสุขหรือว่าคิดเรื่องทุกข์อยู่กับปัจจุบันคืออะไรให้อยู่กับความคิดที่สุขที่ทุกข์เหรอไม่ใช่นะการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การเข้าไปอยู่กับอารมณ์นะจะเป็นอารมณ์ของรูปหรือของนามก็ดีไม่ใช่แบบนั้น แต่การอยู่กับปัจจุบันคือเรียกว่ารู้ที่ปัจจุบันแต่ไม่ติดที่อารมณ์นั้นนนเห็นว่าสภาวะในปัจจุบันมาแสดงแบบไหนกายมาแสดงอาการเช่นไรนะจิตใจมาแสดงอาการเช่นไรอันนั้นแหละเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าจะพูดให้ตรงมากกว่า น, นก็อาจจะเรียกว่ารู้ตรงที่ปัจจุบันนะรู้ที่ปัจจุบันนะเห็นปัจจุบัน ที่กายที่ใจกําลังแสดงอาการอยู่โดยไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆตรงนั้นอันนี้แหละนะอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันนะก็ไม่เข้าไปเป็นทั้งหมดนะไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ในอดีตในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันรู้เห็นสิ่งต่างๆต า, งตามความเป็นจริงโดยจิตที่ตั้งมั่นโดยจิตที่เรียกว่าไม่เป็นทุกข์กับอาการต่างๆเหล่านั้นเนาะนี่คือเป็นสิ่งที่ พวกเราพึงจะฝึกหัดจิตใจนะของพวกเราทุกคนนะมีโอกาสมาอยู่วัดนะจะบวชเป็นพระจะเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นโอกาสทองในชีวิตของพวกเราเนาะบางทีก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆของชีวิตเราก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะอยู่ยาวก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรามาขุดทองกันนะมาขุดบ่อทองคานะบ่อทองคาตรงนี้นะ สิ่งมีค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าเป็นอรนะิยะทรัพย์เนาะมาเรียกว่ามาช่วยกันขุดหาสมบัตนะิในกายในใจของเราให้ได้เนาะสมบัติตัวนี้นะนะไม่ใช่ไปเลี้ยงนะเลี้ยงสิ่งภายนอกแต่เป็นเลี้ยงเป็นสมบัติที่เลี้ยงเราเลี้ยงจิตใจเราให้พบกับความสุขที่แท้จริงเนาะก็ขอให้พวกเราได้เจริญนะในศีล ในสมาธิในปัญญานะจนทั้งเข้าถึงรับผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านด้วยเทิด